ถ้าฟังที่ครบท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัรมนีสนทนาทางสถานีวิทยุ fm 1 0 6ครอบครัวข่าวนะคะสำหรับรายการของเรามีอยู่สองช่วงใหญ่ๆช่วงแรกเน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมและให้ฟังพุทธวจนะแบบไม่ต้องมีคำแปลอะไรมากมายส่วนช่วงที่2เราได้ก็เป็นช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะซึ่งจะเป็นการสนทนาธรรมกันนะคะโดยที่ พระคุณเจ้าก็คือพระพิบุตริปุโนโวัดปาดอนหายโสอุดรธานีท่านก็จะนำอระพุทธวจนะมาให้ความกระจ่างในปัญหาต่างๆที่เราถามนะคะวันนี้ไปกราบรมสกรรท่านกันเลยค่ะกราบรมสกรรค่ะท่านคะนนเจริญพนเบนฉันเองก็เหลียวไปเห็นมนือสิพิมพ์เขาพูดถึงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องสยบข้อขัดแย้งอย่างไรไม่ได้ ทั้งใจทั้งงานไม่บาดปลายเป็นวิกฤตพูดถึงเรื่องความขัดแย้งดิฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านเหมือนกันนะนะคะว่าถ้าเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าในกรณีที่มันเป็นความขัดแย้งของคนจํานวนมากมเคยปรากฏในพุทธประวัติไหมคะว่ามีการแก้ปัญหาในลักษณะกับคนหมู่มากเช่นนี้ถ้ามีพระพุทธองค์เราแก้ปัญหาอย่างไรคะ มีก็ที่ที่คุ้นๆกันมากที่สุดอาจจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องของพิกสูชาวเมืองโกสัมพีที่ว่าทะเลาะกัน เ, เหตุที่ทะเลาะกันนั้นก็ด้วยเรื่องเล็กๆเล็กๆเท่านั้นอเองนเกี่ยวกับเรื่องวินัยนิดๆหน่อยๆก็เลยกลายเป็นลุกรามกันไปใหญ่โตถึงขนาดชาวบ้านก็ทะเลาะกันด้วยนะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือขยายเป็นวงกว้างนั่นแหละเริ่มมาจากแค่เรื่องนิดเดียวนสนาดของน้ํำพึ่งหยดเดียว แล้วก็พอขยายขึ้นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกให้ อ, อย่าไปถือโทษโกรธกันเว้ด้วยการย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเว้อันนี้เป็นธรรมเก่าในทีนี้พอพูดไปแล้วเนี่ยไม่มีใครฟังคุณยมเตียวไม่มีใครเชื่อ <c oughs> บอกว่าจะต้องทิมแทงกันด้วยห อ, อกปากต้องทะเลาะ ก, กันจนกว่ามันถึงจะยอมกันสักกัรไหนขั้นหนึ่งขอให้พระพุทธเจ้านี่เงียบๆไว้เถอแะแต่ว่างั้น <c oughs> ก็ให้ขวนขวายน้อย <c oughs> ก็ว่า พวกพระภิกษุว่ากันอย่างงี้ทีนี้พอพระชจ้าพูดเราไม่ฟังอะ่ะก็เลยทํำยังไงล่ะก็ก็ก็เรียกว่าหนีออกนอย่าไปยุ่งกับใครเลยถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งเขาเราบัญชาการแล้วเราเขาไม่ฟังเราพวกนี้เราก็อย่าไปอยู่กับเขาแเราก็ <c oughs> หลีกออกซะโดยไปบรรษันั้นก็เลยไปจำบรรษาที่ป่าเรไร่ที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่ว่ามีลิงกับช้างมาช่วยอุปถากต์เราบรรษาทค่ะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ในเรื่องนี้นี่คือกระบวนการที่พระเจ้าเนี่ยพยายามที่จะให้คลายความขัดแย้งก็คือว่าเอออย่าไปจองเวรกันนะจองเวร น, นี่คือทมข้อหนึ่งทีนี้นี่คือทาลักษณะทมอย่างเดียวนะคือธรรมะที่ที่เรียกว่าอย่าไปจองเวรกันเขาทำถูกทำผิดบ้างเราก็อดทนเอานะคือถ้าคิดว่าเราจะต้องไปแกล้นทาคืนเนี่ยมันไม่มีทางจบนะหรือในอีกนยัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเคยอธิบายในเรื่องของในอาวาสอย่างเงี้ยพระภิกษุไม่แตกกันสามัคคีกันเนี่ยนะก็เพราะว่าละธรรม3อย่างก็คือละเรื่องของการพยาบาทเบียดเบียนในทะ่าละการพยาบาทเบียดเบียนได้แล้วก็ทําธรรมะอีก3ามอย่างให้เกิดขึ้นนั่นะคือความที่หลีกออกจากกามความไม่พยาบาทแล้วก็ความเบียดเบียนเนี่ยความไม่เบียดเบียนเนี่ยสามอย่างนี้ทําให้เกิดแล้วก็จะทําให้หมู่คณะในที่นั้นสามัคคีกัน สองนัยยะนี้คุณโยมติว๋วมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าสมมติคนจะจะโกรธกันเนี่ยก็ด้วยเรื่องแค่เรื่องของกามเท่านั้นเองนะัคือฉันอยากได้อย่างนี้เธอไม่ใหนะ้หรือว่าฉันต้องการอย่างนี้เธอไม่ทำํำนะมีความไม่สอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งของเรื่องแนวความคิดอะไรทั้งหลายแหล่มันมันเป็นอย่างนี้แค่นี้เองนะเรื่องตําแหน่งเรื่องอะไรซสันอย่างหนึ่งมันก็เลยเป็นทําให้เหตุขัดแย้งกันถ้าเราละกามได้สบายเลย เหตุของความขัดแย้งเราจะลดลงไปอย่างหนึ่งอีกในย่ญญาหนึ่งในยะที่3ที่ได้เคยพูดเอาไว้ว่าสมมุติว่าเขามีแบ่งกันเป็น2กลุ่มอะไรเงี้ยเถียงกันละแตว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่เป็นอย่างนี้เหมือนอย่างในเมืองไทยช่วงนี้ผ่านมาที่มีการแบ่งเป็นสีๆพวกนี้น ะ, ะวิธีการแก้ไขนะที่เคยได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายครั้งหนึ่งก็คือว่าเอา้าเราไปหา คนไหนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสมมติในกลุ่มนี้เก็มีพวกๆใช่ไหมมีกันหลายๆคนหรือหลายร้อยคนเดี๋ยไปหาคนสักคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นก่อนสักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่พูดง่ายที่สุดที่พูดได้ง่ายที่สุดพูดแล้วเขาจะเข้าใจเดนะคือคือคนที่ไปหาเนี่ยต้องไม่ใช่มาจากอีกฝ่ายหนึ่งนะแต่เป็นคนที่เห็นว่าเป็นคนที่เห็นว่าเอ่การทะเลาะกันนี้มันจะไม่ดีมันจะเป็นคนที่ต้องการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าตั้งเป็นพวกที่3ขึ้นมานะ คือถ้าเราตั้งเป็นพวกที่3แล้วก็ไปเที่ยวรีคูดคนจากพวกที่1กับกลุ่มที่2มาเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเลยอะเป็นคนที่ต้องการแก้ปัญหาก็จึงไปหาคนที่พอจะพูดแล้วเข้าใจมากที่สุดในคนไหนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพูดกับคนนั้นก่อนว่าทะเลาะกันไม่ดีนะเราอย่าทะเลาะกันเลยที่แท้ความจริงเป็นอย่างงี้เรื่องราวเป็นอย่างนี้ทีนี้เขาก็เลยออกมาเป็นพวกที่ไม่ต้องการทะเลาะล่ะถัดไป2คนนี้ไปไหนต่อ ไปหาคนที่พูดง่ายถัดมาอีกพูดง่ายที่สุดถัดมาไม่รู้อยู่กลุ่มไหนล่ะอธิบายให้เข้าใจกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นๆเนี่ยก็ทําอย่างนี้ต่อไปสี่คนเป็น3ามคนใช่ไหมไปหาคนต่อไปที่พูดง่ายที่สุดพวกนี้ก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงกลุ่มที่ทะเลาะกันเนี่ยนะจนกระทั่งกลุ่มที่ว่าไม่ต้องการทะเลาะเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วก็ควบคุมหมดทุกอย่างนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สากระบวนการที่3ามว่างั้น ก็เหมือนกับว่าต้องใช้หนทางแห่งการแม่เบียดเบียนหนทางแห่งความอดทนพยายามแล้วก็เลือกคนที่คุยได้แต่ว่าอย่าท้อที่จะพยายามหาแนวร่วมหลาวิธีทางเดียวกันไปไดเรื่อยใช่ไหมคะใช่ก็เราไปหาคนที่คุยง่ายที่สุดก่อนนะเราเราไม่ได้ไปคุยกับหัวโจเขานะเราไปคุยกับคนที่คุยง่ายที่สุดก่อนนี่คือประเด็นเราต้องทําอย่างนี้ค่ะก็ เป็นเรื่องที่จริงๆเข้าใจว่าเป็นหลาักการที่คนส่วนใหญ่ก็ทราบนะคะแต่ทำไมเมื่อถึงเวลาเอาเข้าจริงๆกลับทำทากันไม่ได้หรือว่าทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะอะไรนะเพราะ <c oughs> ว่ามันกลับมาที่เรื่องที่สองไงที่ว่าคุณยังมีการไอ้คนที่ไปคนที่ไปหาเนี่ยคนคนแรกที่ว่าเห็นว่าคุณต้องแก้ปัญหานี่นะ อันดับแรกคุณสมบัติคนคนนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ก่อนนะคุณยมติยวคือ1คุณต้องคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของคุณคือหมายว่าคุณจะไปหาแนวร่วมที่ว่าเ e อย่าทะเลาะกอันเลยเนี่ยนะหคุณต้องไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจนิตของคุณนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็จะาดีไม่ดีคุณอย่าให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของคุณทั้งสองฝ่ายเลยถ้าคุณมีความขัดเคืองเกิดเกิดขึ้นในจิตของคุณนะคุณก็จะไม่เหมาะสมที่จะทำงานนี้ อืมอค่ะคือจิตของเราต้องให้กระจ่างสวาง่างใสไม่ขุนมัวใช่ไม่มีความขัดเคืองใช่ประการแรก ท, ทีนี้ว่าถ้าเปื่ว่าคนที่มีความขัดเคืองแล้วพยายามจะไปทำานะ่คืออันดับแรกเลยคุณไม่คอร์รีฟายในงานนี้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณฝืนทำจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะคุณจะกระจายเป็นกลุ่มที่สามที่มาต่อสู้กับทั้งสองกลุ่มนะกลายเป็นสามก๊กไปอย่างเงี้ยนะ อย่างเดียวสมัยนี้ก็กลายเป็นพวกหลักสีมีสีนั้นสีนวนแล้วก็สีอีกสีหนึ่งกลายเป็นหลายๆายสีเพราะว่าคนที่พยายามจะไปประสานเนี่ยไม่ได้สามารถคลายความขัดเกืองเกิดขึ้นในจิตของเขาได้นก็เลยกลายเป็นกลายเป็นอีกพวกหนึ่งขึ้นมาสู้กันเป็นสามพวกเลยที น, นี้มีคนหนึ่งต้องการจะแก้ปัญหาแต่ตัวเองไม่คุณลิฟายมีคุณสมบัยไม่เพียงพอยังมีคนมีความขัดเคลื่องเกิดขึ้นในจิตไปพูดคุยหาแนวร่วมเลยกลายเป็นพวกที่สี่ก็สู้กันยิ่งหนักขึ้นไปอีกองั้นคนที่จะ เป็นผู้นำในการแก้ปัญหานี่จิตจะต้องไม่มีการขัดเครืองได้ง่ายต้องควบคุมไว้ได้ด้วยดีถูกต้องท่านคะทีนี้สมมตินะคะในกรณีเหมือนกับว่าเราขัดเคืองหรือเปล่าเราไม่รู้ละ่ะแต่มีความรู้สึกว่าเราทำดีแล้วแต่แก้คนอื่นนี่แก้ยากจริงๆเลยจะทำยังไงดีคะเออเราก็แก้ที่ตัวเราคือแบบว่าเราอดทนนะเราอดทน เราก็แซวคนนี้ไม่ได้เราไปหาคนอื่นต้องไปคุยกับคนที่คุยง่ายที่สุดก่อนคือไม่ใช่ว่าคนเอาหัวหน้าเขานะหรือเอาเรอหัวหน้านะเอาลูกน้อยลูกกระจอกลูกกระจกนี่แหละที่ว่าคุยได้ง่ายที่สุดก่อนอเราคุยกับคนพวกนี้ก่อนนี่คือประเด็นในชีวิตประจําวันของเราในเรามีโอกาสพบอะไรแบบนี้เยอะนะคะคือ ไ, ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องถึงขนาดที่ขัดเคืองกันเรื่องใหญ่ๆแบบที่ผ่านมาในบ้านในเมืองเราแต่ว่า การทำงานหรือว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะท่านคะโอกาสที่จะเกิดความไม่เข้าใจกันและทำความเข้าใจยากเดี๋ยวนี้เกิดง่ายเหลือเกินที่เกิดง่ายเหลือเกินที่เกิดง่ายเหลือเกินเนี่ยก็เพราะว่าคนเนี่ยมีการ ม, มีพยาบาทมีเบียดเบียนเนี่ยมากขึ้นถ้าเมื่อไหร่เรามีการ ม, มีพยาบาทมีเบียดเบียนมากขึ้นนะคุณโยมติว๋วกษ ะ, ะกิดนิดเดียวมันก็จี๊ดเลย เหมือนกับแผลกลัดหนองเนี่ยโดนถูกนิดเดียวมันแสบมากแล้วก็มีหนองออกมากเกินประมาณถ้าคนไหนคนใดคนหนึ่งเป็นมีคุณสมบัติงี้มันกระเทือนไปหมดทั้งสังคมแน่นอนค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยิ่งอบรมให้บ้านเมืองแบบว่าเออคุณอย่าให้มีการยาบาดเบียดเบียนมากมีสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิชาการะอะไรต่างๆควรจะต้อง เพื่อที่จะให้รู้ว่าการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรวิธีหาความสุขที่ถูกต้องทํำยังไงเนะี่ยไม่ใช่แต่สอนแต่แบบวิชาการอะไรที่คุณจะไปทำมาหากินแต่ว่าทำมาหากินเสร็จแล้วคุณก็ไม่มีความสุขก็มาทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ถูกนะค่ะดังนั้นถ้าจะว่ากันไปสําหรับในส่วนของประสงค์อย่างท่านเนี่ยกําลังจะเสนอแน่กับสังคมหรือไงคะว่าถ้าในบรรยากาศแบบนี้ส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมวิธีที่จะปฏิบัติทางจิตจะช่วยได้ อ, อย่างนั้นไหมคะคืออาตมาพูดตามพระพุทธเจ้าคุณโยมติพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งข้อความนี้มาตั้งเป็นพันปีแล้วนะพูดมาตั้งแต่สมัยมีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยู่พระเจ้าชาติศัตรูอยู่นะอบรมคุณธรรมแรงต่างเสร็จเปรื่บหลายพันปีล่วงมาทุกวันนี้ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะทีนี้เราก็พูดตามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเออเฮ้ยถ้าเราเสื่อมโทรมคุณมาดูประเด็นนี้หรือปรเปล่าคุณทําหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้ทําเรามาทํากัน นะคะนั่นก็เป็นเวลาที่เราคงจะต้องสรุปแล้วว่าถ้ามีความขัดแย้งกันพระพุทธเจ้าสอนเป็นธรรมเก่ามีมานานว่าอย่าทือโทษโกรธกันเวนยรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถูกต้องแล้วก็ขอให้รู้ว่าการที่จะไม่แตกกันสามัคคีกันนั้นเราจะต้องพยายามละกามละพยาบาทและละการเปลี่ยเียนช่จะทําให้ไม่โกรธกัน ส่วนการจะทำให้เรื่องขัดแย้งคลี่คลายลงไปได้คนที่เป็นคนกลางไปคลี่คลายก็จะต้องเป็นคนที่หนักแน่นมีสติจิตใจต้องไม่ขัดเคืองไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถดาเนินการในเรื่องของการที่จะนำไปสู่สันติได้ใช่ใช่ใชกับสุดท้ายถ้าไปเจอคนที่คุยยากๆหลายๆคนอยู่ในกลุ่มให้เลือกคนที่คุยง่ายก่อนอและขอให้เชื่อ สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้แล้วนานนะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆด้านตรงนี้นิดนึงสมมุติว่าคนที่คุยยากๆเลยเนี่ยนะหัวโจกเขาเนี่ยนะมีความเห็นอย่างทิฏฐิอย่างแรงกล้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปคุยกับคน น, นคนนั้นคนนี้คือพวกเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยยังไงเขาต้องยอมสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องยอมเขาเหลือคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบแต่ทุกคนไม่เอาด้วยกันหมดอะยังไงเขาก็ต้องยอมโดยปริยาย <No. S 2> นะคะการที่ก็หมาเป็นเทคนิควิธีที่ท่านเข้าใจว่าได้ประโยชน์ทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะคะทํางานใหญ่ๆมันทํายากจริงๆและแก้คนอื่นไม่ได้แก้ที่ตัวเราก่อนพระอาจารย์บอกแล้ววันนี้ต้องกราบนุอสักการนะคะสําหรับพระคุณเจ้าพระพบุตรอภิปุโนวัดป่าดอนไหนโวอุดรธานีแม้มีคอร์สปฏิบัติธรรมท่านก็ยังอุตสาหเมตตามาให้ความรู้เรากราบน้อมสักการณขอบพระคุณค่ะเดชพาน ท่านฟังคะและที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้คือรายการ ส, รรมสัมมนาสนธนาดำเนินรายการโดยดิฉัน ส, รรมสนัมมนาคพงศ์นะคะทางสถานีวิทยุ f อ106ค่ะ 269-0006 02-269-0006 มาถามคำถามหรืชุดพุทธว จ, จนะที่นำมามอบให้โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าวาดนาปะพรมหลวงลูล ก, กาคลองสิทก็ได้ ส่วนจะถามคำถามไปที่ท่านเพรปูลที่เพียวธรรมะ .com/106 ค่ะรายการเราวันนี้ฝากกันเอาไว้ให้นำไปปฏิบัติเพื่อไม่เพียงแต่ชีวิตของท่านสวัสดีจะสวัสดีทุกสังคมเลยนะคะสำหรับข้อธรรมที่ได้มาจากในวันนี้ค่ะพุทธสวัสดีค่ะ